ประถมสมโพธเลอกกันต่อๆมาว่าท่านเทศไม่เว้นแตละวันครั้งหนึ่งที่วางเจ้าฟ้ามหามาลากรมหมื่นบำราปรปักมีเทศไรามาศสามวันยกพระพิมลธรรมอน้นถวายเทศพระธรรมกิติโตเป็นผู้รับสัพีพระพิมลธรรมถวายเทศเรื่องประถมสมโพธ ปาริเฉดลักขณะปริวัิความว่าการละเทวินดาบท ร, ร้องให้เสียใจว่าตนจะตายไปก่อนไม่ทันเห็นพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซ้ำจะต้องไปเกิดในอสัญญีภพเสียอีกเพราะผลของอรู ป, ปรสมมาบัติในวาสัญญานาสัญญายัตนาชาญในปัจจุบันชาติในที่นี้คือไปเกิดเป็นพรมไม่มีรูปวันที่สมก็มาถวายอีก พระธรรมกิติโตก็ไปรับทรัพพีอีกเจ้าฟ้ามหามาลาทรงรับสั่งถามพระพิมลธรรมว่าพระคุณเจ้าชาโลกีนี้ได้ยินว่าเสื่อมได้ไม่ใช่รึอพระพิมลค ร, รมรับว่าถวายพระพรเสื่อมได้ทรงรับสั่งลุกอีกว่าเสื่อมก็ได้ทําไมกาลเทวินไม่ทําให้เสื่อมเสียก่อนบําเพ็ญแต่กามาวัจราชาญ ถึงตายก่อนสิทธัตถะก็พอไปเกิดอยู่ในรูปพระพรมหรือชะกามาพระจรชั้นใดชั้นหนึ่งก็พอจะได้เหตุใดไม่ทำญาณคงตนให้เสื่อมต้องมานั่งร้องไห้เสียน้ำตาอยู่ทำไมเรานี้พระพิมลธรรมอันตูไม่สามารถแก้ไขออกให้แจ้งได้ส่วนพระธรรมกิตติโตเป็นพระรับสัพพีเห็นพระพิมลธรรมเฉยไม่เฉลยข้อปัญหานั้น จึงออกเสียงเรอดังเออแล้วบ่นว่าเราหนอช่างะไรวัดระคังอยู่ใกล้ๆตรงวังข้ามฟากเหตุใดจึงไม่ข้ามฟากต้องมาฝืนร่างกายทนลำบากจนดึกดื่นสองวันสามคืนแล้วท่านก็นางนิ่งสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาก็ทรงจุดเทียนพระพิมลธรรมก็ขึ้นถวายเทศจนจบลงธรร ม, มาทแล้วสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา ก็ประเคนเครื่องทายธรรมพระพิมลธรรมยถาพระธรร ม, มกิติโตรับสัพพีพระพิมลธรรมถวายพระพร ล, ลาเมื่อถึงกําหนดเทศอีกพระธรร ม, มกิติก็ได้รับดีกาอันเป็นหลายพระหัตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลามีมนเทศต่ตอจากพระพิมลธรรมท่านเต็มใจรับและบอกมหาหัตเล็กให้ไปกราบถู น, นสิสงทราบวันเจ็ดค่ำเวลาสองทุ่ม พระธรรมกิตติโตก็ไปถึงท้องพระโรงสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาสเสด็จออกทรงเคารพและปราศัยและจุดเทียนพระธรรมกิตติขึ้นธรร ม, มาร ถ, ถวายศรรีลถวายสักการะถวายพระพรและจึงเดินคถาที่ผูกขึ้นว่าวิมละธรรมสะละจนถึงกัสมาโสวิโสจติติอธิบายความหมายมหาบพิตรเจ้า มีพระบุจฉชาแก่เจ้าคุณพระพิมลธรรมว่าเหตุชนัยการละเทวินจึงร้องไห้ควรทำฌานของตนให้เสื่อมดีกว่านั่งร้องไห้ดังนี้ข้อนี้อาตมาภาพผู้มีสติปัญญาสามหากได้รับพระอภัยโทษโปรดอนุญาตให้แสดงต่อข้อปุจฉชาอาตมาจำต้องแก้ต่างเจ้าคุณพระพิมลธรรมดังมีข้อความดังพระบาลีที่มีมาในพระปุกละบัญญัติมีอัตถกถาดีกา แก้ไว้พร้อมตามพระคำพีว่ากุปปธรรมโออกุปปธรรมโอหมายเหตุกุปปธรรมคือธรรมที่เสื่อมได้อกุปปธรรมคือธรรมที่เสื่อมไม่ได้ท่านแสดงตามคำพีสักพักหนึ่งว่าด้วยข้อชาโลกีเสื่อมได้ในคนที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมได้ในคนที่ไม่ควรเสื่อม ฌานก็เสื่อมไม่ได้ตามบาลีและอธิบายซ้ำว่าธรรมดาชานโลกีเสื่อมได้เร็วก็จริงอยู่แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของผู้ได้ฌานมีความกระหายต่อเหตุการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นของใหม่ของเก่าก็ยังอาลัยสละทอดทิ้งเสียไม่ได้เพราะเคยสวยสุขคุ้นเคยกันมานานของเก่าก็คือฌานที่ตนอาลัยสงบอารมณ์ ก็เห็นมีคุณดีอยู่ของใหม่ตามข่าวบอกเล่ากันต่อมาและคนที่ควรเชื่อได้ชี้แจงอย่างถี่ถ้วนว่าของใหม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่อะไรของเก่ามากจึงทิ้งไม่ได้ทำไปไม่ได้จะยึดสองฝ่ายก็ไม่ได้เพราะของใหม่ไม่คุ้นกันไม่เคยเห็นใจกันผือดผอมมากเสียดายของรักก็มีเสียดายของใหม่คือรู้แน่ว่า พระสิท ธ, ธะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีแต่แก่เสียใจว่าจะตายไปเสียก่อนและเห็นว่าพรหมโลกอยู่ในเงื้อมือแน่นอนแต่คุณของการพบพระพุทธเจ้านั้นจะทำประโยชน์สุขสมบัติอะไรการลเทวินยังไม่รู้จึงไม่อาจทำชานให้เสื่อมทั้งเป็นบุคคลที่เป็นกุปธรรมยังไม่เป็นคนที่ควรเสื่อมจากคุณธรรมที่ตนได้ตนถึงด้วย เปรียบเหมือนคนที่ป่วยไข่อยู่จะกระทากระปี้กระเป่าแข็งแรงคึกคักกินข้าวกินน้ําอร่อยอย่างคนธรรมดาดีๆนั้นไม่ได้คนที่ดีๆผิวพรรณพูดพ่องจะมานยาทำป่วยไข้จะนุ่งหม่มผ้าคลุมกรอมซ้อมซอ่อพูดกระรอกระแร่เป็นคนไข้ก็ทำไม่ได้ทำให้คนอื่นลายเห็นรู้แน่ว่าคนที่ทำเป็นไข้นั้นเป็นไข่มานยาไข่ไม่จริง คนในเห็นคนนอกเป็นสุขสบายก็ออกมาเป็นคนนอกไม่ได้เหตุอะไรความคุ้นเคยข้างในอยู่มากคนนอกเห็นคนในหน่วยนาดน้านวลผ่องใสด้วยพนุ่งหม่มแต่ไม่อาจเป็นคนในกับเขาเพราะเป็นห่วงอะไรของข้างนอกจะไปเที่ยวชั่วคราวนั้นได้แต่จะไปอยู่ทีเดียวไม่ได้เพราะไม่ได้วางใจว่าเหตุการณ์ข้างในจะดีหรือเลวยังไม่แน่ใจ เป็นแต่กระหายอยู่เท่านั้นคนที่มีความสุขสบายอยู่ได้เพศบวชมาช้านานแต่ลายเห็นคนที่ไม่บวชเที่ยวแตะกินนอนดูฟังเล่นหัวสบายไม่มีเครื่องขีดขั้นอะไรบางคราวชาววัดบางคนเห็นดีแต่ไม่อาจออกไปเพราะถ้าออกไปไม่เหมือนเช่นเขาหรือเลวสามกว่าเขาจะทุกตรมระบมทวีมากจะเดือดร้อนยิ่งใหญ่มาก ก็เป็นแต่นึกสนุกแต่ไม่ออกไปทำอย่างเขาเพราะอะไรในความสุขในการบวชคำใจอยู่ออกไปไม่ได้เป็นแต่ทำเออะฮึดฮัดไปตามเพลงคนที่ยังไม่เคยบวชนั้นเห็นว่าผู้บวชสบายไม่ต้องกังวลอะไรนอนแล้วก็นอนนอนแล้วก็เที่ยวตามสบายไม่ต้องเหงื่อหลายใครย้อยไม่ต้องสแสวงหาอาหารมีคนเลี้ยงคนเชิญน่าสบาย คนที่ไม่บวชคิดเห็นดีไปเพ้อเเท่านั้นแต่ไม่กล้าหันเข้ามาบวชเหตุว่า ก, การมาคุณทั้งห้าเดี๋ยวร่างน้ำใจไว้สละมาเอาอย่างผู้บวชไม่ได้เลยนั่งดูกันไปดูกันมาเพราะยังไม่ถึงคราวจะบวชหรือยังไม่ถึงคราวจะศึกก็ยังศึกและยังบวชไม่ได้นั่นเองข้ออุปมาทั้งหลายดังถวายวิสัญนามานี้ก็มีอุปไหมเปรียบเทียบด้วยฌานทั้ง9้าประการ ที่เป็นรำเสื่อมได้เร็วก็จริงตั้งได้เร็วแต่ยังไม่ถึงคราวเสื่อมก็ยังเสื่อมไม่ได้การละเทวินดาบทก็เปรียบดังชาววัดชาวบ้านชาวนอกชาวในต่างเห็นของกันและกันไม่อาจแท่งให้ชานเสื่อมที่ตรงแก่ร้องไห้นั้นอนตมาภาพเข้าใจว่าแก่ร้องไห้เสียดายขันขันคือรูปและนามหรือคือกายและใจ เพราะแกกล่าวด้วยอันยังไม่รู้เท่าทันขันว่ามันเป็นสภาพแปรปรวนแตกดับเป็นธรรมดาของมันเองแต่เวลานั้นโลกยึดถือขันมาช้านานอ่การและเทวินจเจริญอรูปฌานจนสาเร็จก็เพราะคิดรักษาขันเพื่อไม่ให้ขันพลันแตกสลายทำลายจึงพยายามมาได้สำเร็จความปรารถนาและเสด็จหน้าตาถ้าชีวิตของแกอยู่มาอีก36ปี แกจะได้เข้าบรรจบประสบคุยกับหมูพุทธบริษัทและหมู่พระปยุรยาตและหมูพุทธมาม ก, กะผู้นับถือแกจะพลอยมีชื่อยกตัวเป็นครูอย่างดีกว่าที่แล้วมาแต่พระอัตฐกถาจารย์ท่านไม่ว่าอย่างครัวโตเห็นท่านว่าเพียงว่ากาลและเทวินเสียใจว่าจะตายซะก่อนเท่านั้นไม่ทันพระสิทธทัตถะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านี้ เรื่องเทศถวายและเฉลยพระปัญหาถวายสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมหมื่นบราบปรปักตามที่เรียบเรียงไว้นี้ได้ฟังมาจากสำนักพระปีชาเฉลิมในวงเล็บแก้วเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิมแก้วได้ฟังมาจากเจ้าคุณปีชาเฉลิมเกตพระปีชาเฉลิมเกตเป็นปรเรียห6ประโยคอยู่วัดอรุณราชวรารามได้เป็นพระราษรพีจึงได้ยินเทศนาถวายของเจ้าคุณธรรมกิติโต ซึ่งภายหลังเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจ้์โต